โตจาวิหารตินาะจากินกิโลเกอุปาดียติมเอวมามปิภะเวภิกขายกายานุ ป, ปัสสิวิหารติมปฏิกละปั บ, บังนี่เราเริ่มใหม่เราเริ่มขึ้นส่วนใหม่ <c oughs> บทุเทศ <c oughs> บทุเทศเนี่ยท่านพูดถึงเฉพาะกาย มหาสติประฐานทังสีนั้นพระพุทธเจ้าท่ารงแสดงที่นิคมแขวนกุรุตแขวนกรมมาสถานกรมมาสถานนิคมชาวกุรุชาวกุรุตแควนทกำกรรมมาสถานมาพูดถึงมหาสติประฐานทั้งสี่ คนทั้งหลายชอบอ้างอ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาทําความเพียรพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงมหาสิปัถานั่งสี่มหาสิปฐานั่งสี่ท่านพูดถึงอารมณ์ของการอารมณ์ของวิปัสสนาว่างั้นเถิดแท้ที่จริงอารมณ์ของวิปัสสนาเนะมีมากอยายตนะภายในหกอยายตนะภายนอกหก ภัตสะหกเวทนาหกอะไรต่ออะไรหกหกหกตามอารมณ์ตามอารมณ์ที่จะมาปรากฏตามตาม่างของปุรินกายใจเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งนั้นแต่ไหนทีนี้ท่านแสดงย่นย่อมาที่กายที่เวทนาะ กายกายานุปัสสีวรติทิเวทนาเวทนาโสเวทนานุปัสสีวรติแสดงมาที่จิตจิตเตจิตานุปัสสีวรติแสดงมาทิธรรมธรรมเมสุตธรรมานุปัสสหวรติยกเฉพาะบทที่เป็นแม่บทนี้มาแสดงที่เรียกว่าบทอุเทศบทอุเทศทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ในมหาสติปัฏฐาน มันเป็นบทสรุปมาจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านพูดถึงท่านพูดถึงอารมณ์ของวิปัสสนา heure, อารมณ์ของถถ pequeña, อารมณ์ของสมถฏานต่างหาอารมณ์ของวิปัสสนาตัางหาบางครั้งเราก็อารมณ์ของเอาอารมณ์ของสมถฏานี่แหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เอาอารมณ์ของสมถฏานนี่แหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานได้ ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดเช่นอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกในนี้มันเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ประยุกต์มารวมกับอารมณ์ของสมถะเช่นอย่างพุโทโธหายใจเข้ากําหนดพุทหายใจออกกําหนดโธ เราจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแท้จริงพุทธโทพุทโทมันเป็นอารมณ์ของสมถะพุทธโทพุทธโทเราจะมากำหนดอย่างเดียวพุทโทพุทธโทพุทธโทดําริพุทโทอย่างนี้แหละจิตไม่นึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอะไรอย่างอื่นจิตอยู่กับพุทโทพุทธโทมันไม่มากเรื่องถ้าไม่จิตเริ่มสนุก เราย้อนมาดูที่จิตของเรานะอารมณ์สมมติมันก็เกิดที่จิตอารมณ์ของมวิปัสสนามก็เกิดที่จิตเวลามันเกิดมันก็อยู่ร่วมกันอยู่นั่นแหละหากเราแยกมาพูดกันเฉยๆเท่า น, นั้นเองถ้าเราไม่ค่อยใจเราก็แยกมาโดยเด็ดขาดเหมือนหลักปริยัติข้าพโอษนะข้าพูดษเขาแยกมาโดยเด็ดขาดมันก็อยู่ในใจดวงเดียวนั่นแหละจะเอามาเจริญสมมติฐานมันมสงบก็ไปสงบปฏิจจใจ จากมีจราริปัสนาสงบมันก็สงบไปที่ใจอย่าลืมว่าวิปัสนาสิ่งที่มันรวมมามันตะล่อมล้อมรวมมามันก็เพื่อความสงบแต่มันไม่ได้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวมันเป็นการสงบกับกิริยาอาการของอารมณ์เหล่านั้นเช่อนอย่างในบทต่ต อ, ต อ, ตอมาที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยทั้งให้พิจารณาลมลมเข้ายาวก็รู้ลมปอยยาวก็รู้ ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้กลั่นลมก็รู้จะแล้วทั้กรรมสรุปจะแล้วทั้รทกรรมสรุปว่า ก, กายนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อธิกายโยดีวาปนัสสัคสติปัจจุปปจิตาโหติมีสติกำหนดรู้สัจจะว่ารู้ กำหนดกายกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรียกว่าอาณาปานาสติก็อยู่ในที่ว่างไอยู่ในเรือนว่างไปอยู่เงื่อนเงื้อนถ้ำป่าเขาที่สงบตรงไหนก็ตามเป็นที่เหมาะเป็นที่สงบอยู่ในอาคารอยู่ในมุมบ้านอยู่ในกติกุฏานตรงไหนก็อยู่มุมไหนก็ตามนั่งขัดบรรลังนั่ง ขูขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะขาขวาอยู่ในขาซ้ายอยู่ในขาขวาอยู่นอกเป็นนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวหรือเอาขาซ้ายอยู่ล่างขาขวาอยู่ทับอยู่บนขาซ้ายมือขวาทับอยู่บนมือซ้ายนั่งขัดสมาธ นั่งขัดสมาธิหนึ่งชั้นนั่งขัดสมาธิสองชั้นนั่งขัดสมาธิเพชร <c oughs> เพราะท่านถือว่าอิริยาบถนี้มันเป็นอิริยาบถ ท, ที่ส่งตัวทำให้เรานั่งได้นานไม่ต้องห่วงอันนี้มันเป็นแบบยากมันเป็นแบบยาแต่เวลามันจะสงบมันสงบที่ใจกายมันเริ่มสงบตั้งแต่เรากำหนดจดจ่อให้เขาอยู่พะเราทำไปนาน ใจก็จะเริ่มสงบวิร่มสงบสงบที่ใจจะนั่งแบบไหนก็ตามเรานั่งไม่สะดวกเรานั่งเก้าอี้ห้อยเท้าห้อยขาทาความรู้สึกอยู่เฉพาะที่จิตพิจารณาอยู่เฉพาะที่จิตตามรู้เห็นเฉพาะที่จิตมันก็เป็นการทำงานนะ้เพราะฉะนั้นจึงทำงานได้ทุกทิฏยาบทยืน ทำได้เดินก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ทําได้ถ้าเราจะตามดูลมยืนเดินนั่งนอนอะ่ะมันก็ลมหายใจไม่หมดลมหายใจไม่ขาดไม่ได้เราหลับไปแล้วเนะี่ยลมหายใจเขาก็ยังหายใจอยู่เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของกายมีสติตามกําหนดรู้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกอันนี้เป็นอานาปานาสติเป็นอานาปานาสติเราทําไปแล้วมันจะสงบ สงบอยู่กับลมนั่นแหละสงบอยู่กับลมนั่นแหละมันจะสงบเป็นสมถะมันก็เป็นในขณะเดียวกันมันเป็นวิปัสสนามันก็เปลี่ยนอารมณ์ที่มีสติกํากับกําหนดจดจอ่อแต่วิปัสสนามันแ ต, ตกต่างจากสมถะก็คือมันพิจารณาอารมณ์หนึ่งเลื่อนไปหาอารมณ์หนึ่งได้ขยับไปขยับมาดูกิริยาอาการหวกิริยามันไม่ได้นิ่งอยู่กับ อารมณ์เดียวนี่มันต่างกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นท่านจึงนิยมให้ทําใจสงบเมื่อสงบแล้วหมัตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมดูได้แต่ละอย่างแต่ละครั้งเราตามดูได้ดูเราถนัดกับอารมณ์อะไรตอนนั้นเก็ตามดูไม่ใช่ดูกายแล้วก็มาดูเวทนาแล้วก็มาดูจิตแล้วก็มาดูธรรมกลับไปกลับมาเอาอย่างนี้ก็ได้เราตรวสอบดูที่ มันเป็นการทดสอบดูว่าอารมณ์อะไรที่จิตมันชอบที่สุดมันชอบย้อนมากำหนดจดจอที่จิตเราก็ย้อนไปดูที่จิตดูจิตยินดีไหมจิตยินร้ายไหมจิตติดโสภไหมจิตติดทุกไหมทุกมันก็ติดนะมันก็วันที่จิตนั้นแหละคือจิตติดทุกเจ็บมันเจ็บมันปวดนั่นแะคือทุกอในขณะที่เราทํากายกับจิตมันจะสัมผัสสัมผันสกันตลอด อย่าไปพูดเด็ดขาดเป็นเอกเทศเหมือนนักปริยัตกระพูดโดยไม่ได้ดูมาที่ของจริงเรื่องจริงก็เตะกันทั้งวีทั้งวันแหละคำพูดเรามาเตะกันเองดูไปแล้วเขาสังเกตสังกาไปมันจะอยู่สมถะหรือมันจะอยู่วิปัสสนาขอให้มันสงบเถอะขอให้มันสงบมันจะสงบอยู่กับอะไรก็ช่างมันขอให้จิตของเรามันตื่นรู้พยายามหัดฝึกตั้งสติ กำหนดจดจอ่อการตั้งสติมำนจุด จ, ดจอ่อก็คือตั้งจิตให้ตื่นให้รู้ไม่ใมันหลับรู้ขยับยังไงก็รู้สึกขยับยังไงก็รู้สึกขยับยังไงก็รู้สึกกําหนดอยู่กับอารมณ์ก็ลมลมมันเป็นกายการที่เราดําริพุทโธด้วยกํากับด้วยลมหายใจเข้าด้วยให้ายใจออกด้วย มันได้ทั้งรูปธรรมมันได้ทั้งนามธรรมารูปธรรมเป็นลมลมนี้เป็นรูปธรรมการนําริพุโธพุโทพโธเป็นเรื่องของจิตอันนี้เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยเราจะว่าอารมณ์ส ม, มะถะ ก, ก็ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหากเราแยกกันพูดเฉยๆเราทําอย่างนี้แหละทําไปจนจิตสงบสงบไปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันคอยมันอยู่ขอยมันสงบ ปัญหาไม่ดึงจิตเราไปใช้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ดึงไปรึกไปนึกปัญหาสารพัดที่มันป้อนให้กับเราปัญหานนท์ปัญหานี้ปัญหาอะไรทาให้เราห่วงทําให้เราวิตกทํำให้กังวลคิดน น, ดน้นคิดนี่แวบไปนน้นแวบไปนี่นั่นอ่ะมันเริ่มดึงเราไปหรือไม่เราประจิตค้างที่รปูปประจิตค้างที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ความสนุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันพาดึงจิตเราไป จิตมันไม่เพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันมาอยู่มันเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เราจับให้เขาอยู่มันจะใช้ได้มันจะงบมันจะนิ่งมันจะรูมันจะตื่นมันจะโรู้แต่ถ้าสติเราอยู่พอตันหามันมันแย่งนะตันหามันจะไม่แย่งจิตมันแย่งจิตไปจากสตินะสติกากับจิตนั่นแหละจิตคือผู้รู้ แท้ที่จริงสติมันก็เกิดจากจิตนั่นแหละมันเป็นการไปปลุกผู้รูร้เราให้ตื่นตัวตื่นตัวนั่นแหละเป็ตัวสติมันขึ้นยับยับยับยับแล้วก็ดับมันก็เป็นกันน์ของจิตสติและกัสัมผัสัญญามันจะเกิดมันจะมาด้วยกันยับขึ้นมาสัมผััญญะประคอเราลองทาแล้วเรา ล, ลองสํารวจดูว่ายับคือสติยับขึ้นมาสัมผชัญญะประคอง ร้อนน้ำรีพุทธโทพุทธโธพุทโธสัมปชัญญะมันประคอประคองความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันขาดจําไปถึงคําน้ารีขึ้นมาอีกพุทธจากพุทธไปหาโธจากโธไปหาพุทธมันประคองไปหากันไม่ให้มันขาดเราเราประค อ, องเราดูถ้าเราประคองไม่ได้มันขาดช่วงมันขาดช่วงตรงนี้แล้วเพราะมันขาดช่วงตันหายแยงไปแล้ว พอมันขาดช่วงตันหาแ ย, ย่งไปแล้วคือจิตไม่อยู่แต่ด้วเหตุที่เราเอาจิตเอาสติมากํากับมาประคองนะแป๊บไปแล้วมารู้ทันรู้ทนันมันก็หยุดแป๊บรู้ทนันมันก็หยุดในระหว่างที่มันไปคือจิตเราไม่ตื่นจิตมันเรามันหลับความหลงมันจะเริ่มมาครอบพอเรารู้สึกทันตื่นขึ้นมาโร่เพราะมันอยู่พร้อมตื่นรอดมันก็อยู่มันไม่ได้ไป มันเป็นกิริยาที่มันแย่งออกออกไปอันนี้เราตั้งสมมุติเฉยๆว่ามันมีความอยากมาแย่งแท้ที่จริงก็คือความไม่แน่นหนามั่นคงของมันนั่นแหละมันจะเพลินไปกับนิสัยเดิมของมนมันชอบนึกคิดไปกับเรื่องเหล่านั้น mm. จิตของเราของท่านของใครทั้งนั้นติดเกี่ยวกับอารมณ์กามที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสทั้งหมดนั่ น, นก็เรียกอารมณ์กรม เรื่องราวสารพัที่มีก็มีเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสนี่เองมันไม่ใช่มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นคือจิตว้าวุ่นอยู่แต่กับอารมณ์ของกามเรื่องของกามพอเราอยากให้เขามาทํางานเกี่ยวกับเรื่องทำทำไปทาไปสัหน่อยมันก็ทิ้งทิ้งไปก็วิ่งไปหาอารมณ์เดิมของมันอารมณ์เดิมของมันคือมันแช่อยู่กับตัณหาทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีตัณหาคือความดิน้นความทะยานของจิต ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตอย่าไปตามอิสระเสรีของมันเมื่อเราต้องการให้มันอยู่กับคําบริกรรมมันเป็นการดักแปลให้มันอยู่กับบทธรรมเนี่ยพยายามดึงมันมาดึงมันมาพอเผลอปั๊บมันก็ดึงันไปพอเผลอปั๊บมันก็ดึงไปเราพยายามดึงมาดึงมาดึงไปดึงไปดึงมาด้วยเหตุที่ เราทําความถี่ละเอียดทีเย็บข้าเนี่ยมันก็เริ่มมาแย่งปัญกอ่าแปลว่ากิริยาดั้งเดิมของจิตนิสัยดั้งเดิมของจิตที่มันจะแย่งระบายมันมันก็จะเริ่มจะแย่งไปัญกแล้วเพราะเราตั้งความถี่เราตั้งอารมณ์เราทําทีขึ้นมาที่จิตมันจะเริ่มแย่งข้าไปยากเราทําไปเราสังเกตสังกาไปเราก็รู้ความยากความง่ายในใจของเราอื จนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะอิ่มมันจะพอมันเหนื่อยมันอิ่มมันพอมันก็ไม่แย่งแล้วท่านนี่โดยเหตุที่เราป้อนให้ป้อนอารมณ์ทําให้กับจิตจิตก็จะเริ่มอิ่มเหมือนกันเราป้อนอารมณ์ทําให้กับจิตจิตก็จะเริ่มอิ่มอิ่มแล้วมันขี้เกียจนื้คิดปรงไปตามตัณหาราคะที่มันมาปลุกเรามาดึงเราไปมันขี้เกียจปลุกไปตามมันอิ่มอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรม ในนั้นมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความเบาสบายปลอดโปรง่งหากเกิดความรู้สึกกับผู้เป็นทำแล้วก็เป็นทำเป็นได้ไม่ยากทำเป็นได้ง่ายงําทำเป็นได้ในไม่ถึงระยะเวลายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็เป็นแล้วคอยเราสังเกตสังเาตให้ทียิยบเ็ไปมันจะเป็นเราจะได้รับความสุขแล้วก็สังสมสิ่งเหล่านี้ให้แน่นหนามันคงเข้าไป เราจะไม่อยู่กับอารมณ์ที่สงบอย่างนี้เราจะตามพิจารณาอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์ที่ท่านพูดไว้อย่างเมื่อกี้เราเราก็พูดถึงลมอาณาปานสติอาณาปานสติเราพูดถึงลมเราพูดถึงอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนที่โตมที่โตมีติที่โตมีที่โตมีที่ติ นิสิโนนิสิโนวานิสิโนมิติปิจานาติยืนครู้ว่ายืนนั่งครูวานั่งยืนวิ่ยตุวหรือเดินครูวเดินนอนครูว่านอนสยานววาสยโนโวติปิจานาตินอนครู้ว่านอนนี่คืออิริยบทอันนี้ก็เป็นอารมณ์มันจะสนิทอยู่กับอารมณ์ใดก็ตามสามารถเกาะอยู่กับอารมณ์นั้นได้แล้วแต่จิตของเราจะถนนัก ถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ยรูปรุนของตัณหาที่มันจะมาแทรกเข้ามาในจิตของเราเนี่ยแม้จะมีมากมายหกสิบกว่ารูหกสิบกว่าช่องหกสิบกว่ากิริยาการที่มันจะมาแทรกภายในจิตของเราอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เอามาเอามากํากับเพื่อให้ถูกกับเจิตนิสัยของเรามากเหมือนกันเราก็ดูสินับตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันกี่อย่างประเภทลมหายใจเข้าหายใจออกเรา ไ, ไล่ดูสิไปนับรู้สิ แล้วก็มนุยริยาบทอิทยาบทยืนวิทยาบทเดินอิริยาบทนั่งอิริยาบทนอนจากนั้นแล้ท่านก็นมพูดถึงสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็รู้นี่แหละรู้วิริยาบทนี่ยยืนรู้ว่ายืนเดิน ร, รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนปฏิกลุ่นปฏิกูลุ่นก็พิจายรณาการสามสิบสองอสซโลมานาคาดันตาดัจโจ มังซังนาราโรอัตถีอัตถีอัตถีอัตถีอัตถิมินชังวักการหัตยามอาการสามสิบสองดูความปฏิกูลโสโครกมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันเป็นอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเราลองทําไปเถอะมันจะสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวหรือมันจะโโรอยู่กับอารมณ์เดียวพิจณายักย้ายผันแปรไปได้มันใช้ได้ทั้งนั้นแหละ เราไม่ต้องไป ก, กักเกณฑ์ว่าเราต้องการทําให้จิตสง บ, บอยู่กับอารมณ์เดียวแต่มันโดดไปอารมณ์นั้นโดดไปอารมณ์อารมณ์อะไรที่เป็นอารมณ์ของธรรมมันใช้ได้อ้ากลายเป็นอารมณ์ของมหาสติแท้ที่จริงมันคล้ายๆกับว่าอาวุธของเราอยู่รอบรอบตัวอ่าเป็นมีดเป็นกระบองเป็นมีดเล็กมีดใหญ่มีดยาวมีดสั้นเป็นกระบองเป็นปืนเป็นระเบิดมันมีอยู่ในนี้หมดนะอาวุธมีรอบตัว อย่าว่าจะรูปรุ่นที่ตัญหามันแทรกเข้ามาภายในจิตของเรามันแทรกเข้ามาที่อย่างละอย่างละหกอย่างละหกสิบมวลนะ่ะสิบมวลไล่ไปดูที่หกสิบสิบหกหกสิบสิบมวลนั่นน่ะรูปรุ่นที่มันแสดงออกมาเพลิดเพลินมันแอบแทรกมาละเอียดแค่วิตกแค่วิจารแค่นั้นก็สามารถแทรกเข้ามาได้อ่าตัญหาความอยาก แค่สัญญาแค่สัญเจตนาความรำลึกถึงความคิดถึงอืเวทนาเงียมันเป็นอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหนา้าเห็นว่าดีเห็นว่าไม่ดีเผลอปับเราก็ยึดเห็นว่าดีเลยยืดโอ้ดีแล้วเกินยืดยึดยื ด, ยดไม่รู้ตัวนะในขณะที่มันยืดทันหามันปลา ย, ยึดไม่รู้สึกตัวเลยลหองเคลิ้มไปกับมันนั่นแหละนี่ไม่รู้สึกเนือ้อรู้สึกตัว หกสิบวัช่องที่ท่านแสดงเอาไว้ที่อารมณ์ที่พุทธเจ้าให้เอามากากับมากยิ่งกว่านั้นอีกมากกันรอบตัวเหมือนกันแต่อาศัยว่ามีสติเป็นพื้นเป็นหลักเป็นฐานสตินี้มีความจําเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติสมาธิภายในจิตก็เกิดไม่ได้สมาธิของพระพุทธเจ้าคือสมาธิแนบแน่นเข้ากับหลักของมหาสติปัฏฐานไม่ใช่สมาธิหัวต่อ ไม่ใช่สมาธิโนตต่อไม่ใช่สมาธิในองคฌานสมาธิในองค์ฌานนั้นสลับเข้าไปสงบระงับเอากำลังเอาเรีเอร์เรนแต่เวลามาพิจารณาให้เห็นคุณหเห็นโทษอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นเป็นอารมณ์ยักยา้ายผันแปรมาตามหลักมหายตินะั่นจะเป็นเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมมันกว้างมากเรามาดูในนี้เพราะฉะ น, นประสูตรประสูตรนี้จึงเป็นประสูตรที่ครอบประสูตรอื่นทั้งหมด ถ้าจะรวมพระสูตรที่พุทธเจ้าท่านแสดงว่าสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นใหญ่พระสูตรมหาสิะฐานสูตรครอบหมดเหมือนรอยเท้าของช้างใหญ่ทับรอยเท้าของสัตว์อื่นๆหมดรอยเท้าอื่นๆสัตว์อื่นๆมีสัตว์อะไรที่รอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีมหาสิะฐานเท่ากับเป็นพระสูตรพระสูตรที่สําคัญที่สุดมาครอบไว้หมดเราลองมาศึกษาดู มันมีบทมารีมันมีบทแปลเอาไปศึกษาดูวอาไปอ่านดูแต่เวลาการทํางานนั้นท่านให้เอาสติมาเป็นหลักที่เรียก ว, ว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานปลกกุกจิตเขาให้ตื่นอยู่ในขณะที่ทํางานทุกรขยะทําได้อย่างสดสดร้อนๆ น, นี่เองอไม่ต้องไปคํานึงคํานวณถึงบุญญาวาสนาบารลีไม่ต้องไปคํานึงคํานวณดูไปเลยหัก หน้าหาักตามันอยากสดสดร้อนรอนนี่เองไม่อับไม่จนจับมาเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ไม่อไม่จนกนจ็มาเจะให้สงบสงบอยู่กับเรื่องเดียวก็สงบเข้าไปามีสติกำกับถ้าไม่มีสติกำกับให้มันอยู่อารมณ์เดียวมันก็อยู่ไม่ได้ต้องการให้มันยั้ายผันแปรพิจารณาตามกิริอาการของกายขยับขยายมาที่เวทนาขยับขยายมาที่จิต จ่อมาที่กายย้อนมาที่จิตจ่อมาที่เวทนาย้อนมาที่จิตนี่คืออารมณ์ของมหาสติปัฏฐานสามารถย้อนได้ย้อนได้หรือไม่ได้เราก็ม น, นดูไปที่จิตของเราเราย้อนได้ไหมเช่นอย่าเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราปวดเราก็ย้อนไปดูความปวดเอาใจไปใหญ่เท่ากับความปวดออาไปใหญ่เท่ากับมันเลยทันมันเลยทันความอยากถ้าเราไม่ทันมันยึด พอยึดขึ้นมาแล้วก็มันเป็นตัวเป็นตนแล้วถ้าเรายึดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดหัวเข่าเราปวดหลังหลังเราปวดไหลปวดสะโพกปวดตรงโน้นตรงนี้เราวปวดเราวปวดถ้าเราปล่อยมันยึดมันจะมันจะเป็นอัตราตัวต น, นจะโผล่ขึ้นมาทานันทีนั่นตัณหาแสดงตัวเต็มร้อย ในขณะมีสติมีแต่สติกำหนดจดจอ่อสัมผัชัญญแยกประรคองมันสักแต้ว่ารู้อัตตาตัวตนไม่โปรพยามามตั ว, ต ว, ตวทำตัวนี้ให้สืบเนื่องให้ต่อเนื่องผลรายได้จะเริ่มปรากฏขึ้นผลรายได้จะเริ่มมีขึ้นมันจะสงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ฌานกับปลอยมันไปเวลามันอิ่มขึ้นมาก็มาเ ม, ม, ม, ม, มาพิจารณานี่ตามรู้ตามเห็นตาย ตามรู้ตามเห็นเวทนาภายในกายภายในจิตตามรู้จิตจิตนี้เราจะตามรู้ได้อยงไงเราตามรู้จิตเราไปกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตจิตดีใจนั่นอารมณ์ขึนจิตเสียใจจิตรู้จิตเห็นจิตอะไรต่อะไรพยายามไจับความรู้สึกของจิตนั้นเขาเรียกว่าพิจารณาจิตจนกว่าเราจะจับจิตตัวละเอียดได้ อจิปั น, นจิตตัวหยาบหยาบเราจับจิตตัวหยาบหยาบได้จิบ ต, ตัวละเอียดมันก็เป็นอาการไหวของมันนั่นแหละอ่าในเมื่อเราจับกิริย า, าการมันได้ตัวมันจะมันจะไปไหนก็มันไหวให้เราเห็นอยู่แล้วนี่คือการกําหนดจดจ่อตามจิตกําหนดจดจ่อดูจิตพิจารณาจิตทำทั้งหลายบทธรรม บทธรรมที่ท่านแสดงที่ท่านเานอามาแสดงทั้งหมดมาก <c oughs> มากกว่าบทกายเวทนาจิตบทกายบทเวทนาบทจิตทั้งสามอย่างนี้ไม่มากเท่ากับบทอารมณ์ของธรรมเพราะทุกอย่างเป็นอารมณ์ของธรรมทั้งนั้นพิจารณาอารมณ์ที่ล่วงไป<ม>ภายในจิตที่ที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรมรมอารมณ์เช่นท่านพูดถึงอริยมรรคมี๘ท่านพูดถึงอ่า อริยสัตว์สี่โพชมงค์เจ็ดอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยนี่สิ่งนี้เป็นธรรมเท่านั้นธรรมเป็นบทอารมณ์ที่มีขึ้นกำหนดขึ้นภายในจิตของเราที่ทุเรี่างธรรมอารมณ์รับตาแล้วอารมณ์ภายในจิตเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นแม้แต่กายที่ล่วงไปแล้วมันก็เป็นธรรมอารมณ์เยสนาที่ล่วงไปแล้วมันก็เป็นธรรมอารมณ์ จิตอารมณ์ภายในจิตความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นล่วงไปแล้วมันก็เต็มเป็นธรรมารมแม้แต่ตัวธรรมารมณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันล่วงไปอีกมันก็เป็นธรรมารมรวมลงแล้วทั้งจิตละเอียดเรารู้ไปมันเป็นเรื่องธรรมารมเกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นเราเข้าใจละเอียดทั่วถึงแล้วมันไม่มีอะไรมาขัดแย้งกันมันทะลุโปร่ปปงไปหมดเนี่ยสําคัญว่า เราพยายามทำเรื่อยๆทำเนืองๆไม่ให้อัตราตัวตนมันโผล่พยายามทําให้อัตราตัวตนมันโผล่มันโผล่ขึ้นมาทีไรนั่นน่ะตัณหาแสดงตัวให้ปรากฏแล้วดูไปแล้วเหมือนตัณหามันมีตัวมีตนไม่ใช่เป็นพฤติกรรมเลวๆของจิตรู้เรานี้เองดูให้ชัดเจนกัแล้วกันเพราะพฤติกรรมตัวนี้เราเคยปล่อยมากี่กับการกี่ปุโรชาติมาแล้ว เราไม่เคยสนใจมาฝึกมาปลื้มมารู้เห็นตามกําหนดตามรู้ตามเห็นมันจนเป็นกิริยาที่เลวอันหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตและมาทําจิตให้เกิดความเศร้าหมองท่านจึงใช้คําว่ากิเลสกิเลสมันเป็นสภาพที่ทําจิตให้เศร้าหมองการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรร ม, มนั้นมันเป็นการมาชาักมาล้างมาขัดมาเกามาฝึกมาปลือมาดัดมาแปลง มา ด, ดักที่มันงอย ง, งียดักที่มันตรงที่มันสกรปรกพานึกคิดเรื่องชั่วยชาลามกยาบคายทั้งหลายให้รู้จักเพราะฉะนั้นจําเป็นว่าต้องมีกรอบกํากับเริ่มกํากับเริ่มปิดช่องเริ่มปิดกัน้นตั้งแต่ของยุบ ย, ยิ้ ม, ม, มเล็ ก, ลกๆน้อยๆเพราะฉะนั้นจึงให้สํารวมมาตั้งแต่เรื่องศีลกํากับมาที่กายกํากับมาที่วาจาท่านจึงจให้สํารวมตะล่อมมาที่ศีล ต้องจะรักษาศีลนะเพราะศีลนมันเป็นช่องแต่ละช่องแต่ล ะ, ละรูถ้าหากเราไม่รักษามันก็เป็นการสารวมระมัดระวงังข้างในในยากเพอเราต ล, ำล่ำหลองรวมรักษาสำรวมระวังเฉพาะศินอย่างเดียวมันก็เป็นธรรมในตัวแล้วก็เอาจิตดวงนี้มาสำรวมระวงังเมันก็เริ่มเป็นรแเริ่มคล่องกับการสำรวมการระมัดระวังรักษาจิตคิดขึ้นมาอยาก่าสตว์เงี้ย โอ้ผิดศตสินแน่เอาสินมาอ้างพิดศตสินอยากรักทรัพย์ปพิชิตสินอยากผิดิตลูกพิดิผัวผิดเมียผิดอะไรนี่โอ้พิดศตสินแน่กลายเป็นศินเป็นกรอบมาอ้างอยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้โกหกมดเท็จอย่างนั้นนี้สะดวกสบายพูดละมกุจกจบเปรตยังไงก็ตามแต่โอ้เรามีสินกํากับแน่ ในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ให้ยิ่งให้เต็มร้อยแค่ศีลห้าเนี่ยเราก็มีความสุขได้ตัณหามันกระแทรกไม่ได้แทรกไม่ได้มาให้เราไปหลวมตัวลุกอำนาจแก่ศีลห้าเนี่ยมันมันเลยเกลื้อนหนุนเราตั้งใจรักษาศีลห้ามันเริ่มฝึกจิตของเราเริ่มฝึกไปตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลตัณหามันโดดมันโด ด, ดิ้นมันแสดงออกมาที่กายที่วาจา ในเมื่อมันทะลักออกมาไม่ได้มีสินกํากับมันก็นดิ้นที่จิต อ, อิสระเสรีที่จิตเรานึกเราคิดที่จิตเราไม่ได้เอากายมาแสดงต้อนรับมันไม่เอาวาจามาแสดงต้อนรับมันสินไม่ขาดอานึกอยากฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ฆ่าเลยนะสินไม่ขาดนึกอยากรักทรัย์เนี่ยยังไม่ได้รักเลยนึกเฉยเฉยสินไม่ขาดนึกเห็นลูกเห็นผัวเห็นเมียเห็นผัว คนนั้นคนนี้งามเหลือเกินอยากได้เหลือเกินชอบใจเหลือเกินยังไม่ได้ไปก้าวล่วงเลยสินไม่ขาดอยาของการยาพูดเท็จยาพูดโซเสียอยาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ได้ทําสินไม่ขาดตามได้ีินึกด้วยเอากิริยากายไปทําด้วยเอากิริยาวาจาไปทําด้วยสินขาดแต่นึกคิดอยู่ในใจสินไม่ขาดแต่ทำขาด แท้แท้ที่จริงคิดนึกคิดนึกจนจนชำนิชํานาญจนกลายเป็นจิต ก, กลายเป็นนิสัยเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาที่กายแนะ่มันเริ่มทะลักออกมาที่กายมันทับทั่วมาที่กายในเมื่อมันเออท่วมันทนมาจากจิตมันก็แสดงออกมาที่กายนะในขณะที่แสดงเฉยเฉยไม่ยังไม่ยังไม่ทะลักออกมาทับถมกายยังไม่แสดงกิริยากายประกอบสินไม่ขาดแต่ธรรมขาด พอทําสะสมหนักๆเข้ามากๆเข้ามันก็เออท่วมทับเข้ามาแน่มันเป็นทางออกมาท่านจริงให้ภาวนากํากับที่จิตอืพิจารณามหาสิบฐานนี่แหละมันเป็นการไปกําหนดจุดจ่อที่จิตจะเอาจิตมาพิจารณากายก็คือจิตเอาจิตมาพิจารณาจะดูเวทนาตามดูตามรู้เวทนาก็เอาจิตมาพิจารณาแม้แต่การพิจารณาจิตก็คือเอาจิตมาพิจารณาจิต กลายเป็นว่าตัวทำงานตัวเดียวคือจิตเครื่องไม้เครื่องมือของของจิตก็คือสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมสัมปชัญญะธรรมขันติธรรมโสรัจะธรรมความอดความทนความอุตสาหพยายามความพยายามวายามะความสังวรสารวมระหว่าง นี่เป็นคุณธรรมไฟมาช่วยเกลื่อนหมุนปวดหมุนจนเจือให้จิตได้ทํางานไปเรื่อยๆตลอดรอดฝั่งไอ้สิช่วยหยาบข้างในใจของเราใจมันเริ่มรู้สึกตัวมันจะเริ่มปล่อยเริ่อปล่อยเห็นทุกเห็นทุกมก็เริ่มปล่อยบางทีสติกล้าแค่นี้มันก็ปล่อยได้ในเมืม่อสติเรากล้าเอาสติมาระงับเอาสติมาตัด ลองกำหนดจบจอดูทำได้หรือไม่ได้ตักได้หรือไม่ได้ลองกําหนดดูทําได้สติตัวนี้พอมันรวดเร็วทันทันทีอะไรโปรขึ้นมาปั๊บมันก็วิ่งรับอะไรโผลขึ้นมาปั๊บมันก็วิ่งรับพอรับปั๊บมันไม่ยืดไปข อ, ทขอโทษขออะไรต่ออะไรในระหว่างที่มันรับปั๊บมันก็ดับรับปั๊บมันก็ดับรับปั๊บก็ดับนี่คือความสั่งอนสํารวมระเบิด การสำรวมระวังน exactly. ี่แหละคือการบังคับถ้ากเราไม่บังคับมันไม่เป็นการสำรวมระวังสำรวมด้วยสำรวมด้วยสังวรอินสีสังวรตลอดยินรีสังวรสำรวมตาหูจมูกริมกายใจยินรียสังวรสังวรคือสำรวมสำรวมก็คือสังวรสัมมาวายามะคือพยายามคือความเพียรทันทีว่าความเพียรใน ความเพียรสีอย่างสังว ร, ร, รประทานผ ahan ประทานสังวรไม่ให้บาปอคุศลใหม่เกิดขึ้นและอคุศลใหม่อกุศลเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วพยายมละของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละภาวนาประทานอนุรักษณาประทานภาวนาคือทำทำธรรมะใหม่ให้เกิด ที่เรียกว่าภาวนาภาวนาที่เรี่ภาวนาใจสงบภาวนาภาวนาภาวนาใจสงบใจเริ่มสงบใจก็เริ่มมีผลเราเคยภาวนาวันก่อนเราเคยสงบระ ง, งับอย่างไรเราพยายามรักษาไว้ยพยายามสัมรณ์ระวังเอาไว้รักษาเอาไว้มันเป็นความเพียรสีอย่างเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันครบหมดทั้งสี่ล้วนะภาวนาประทานอย่างเดียวสังวรประทานผานประทาน อนุรักษ์นาประทานอยู่ด้วยกันอืมสังกสรประทานอย่างเดียวภาวนาประทานก็อยู่ในนั้นประหานประทานคือพยายามละอกุศลมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเอาอารมณ์อย่างเดียวอารมณ์ของสติมากำกับที่จิตมันกำจัดจอแค่จอเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรนะ่ะสิ่งเหล่านี้ดับหมดมันสำคัญอยู่ที่จิตเราพยายาม พยายามดูมาให้เห็นข้อเท็จจริงอย่าไปดูในในคําที่ท่านพูดอย่างนั้นๆย่้ดูมาที่จิตของเราดูของจริงเราดูมาศึกษามาที่ของจริงดูมาที่ของจริงเราจะรู้เราจะทันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันนี่ขอให้เป็นภายในจิตขอให้มันทันภายในจิตของเราอย่าไปทันในตัวหนังสือแล้วกันอย่าไปตามรู้ในในตัวหนังสือตามรู้มาที่ของจริงเนี่ยนี่ศึกษาของจริง จะรู้จะเห็นจกเข้าใจได้ง่ายเราจะได้กำลังจิตกำลังใจได้ง่ายเราอันนี้มันตั้งใจทำลงมาแล้วไม่ผิดแลหละสมถะก็ไม่ผิดวิปัสสนาก็ไม่ผิดขอให้เป็นอารมณ์ของกายของเวทนาของจิตของธรรมรวมไปแล้วคือรูปธรรมนามธรรมรวมลงอยู่ในนั้นหมด ม, มันสัมพันตัวสติสติคือความ ระลึกได้สติคือความระลึกได้จิตของเรามันจะระลึกเด่นที่ระขณะขณะขณะสามัญชนยประคองเนียมันมีตัวประคองเลยนะระลึกได้แล้วประคองระลึกได้แล้วประคองประคองอะไรก็ประคองสติสติก็ประคองอะไรก็ประคองจิตประคองจิตประคองสติประคองอะไรก็ช่างหละประคองไปแล้วคอยมันอยู่รูอยู่นั้นประคองเข้าไป ประคองใ น, นเมื่อเราประคองสติยักขึ้นมาปรัราประคองนั่นะภาวนาประทานอนุรักษณาประทานคือรักษาไว้ก็รักษาไว้คือประคองไว้เรืยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไป เ, ไเรื่อยๆทาให้จิตของเราตื่นตื่นตื่นประคองขณะ น, นี้ไปจนขนาดนั้น ไปจนขนาดนั้นแต่และขนาดแต่ละประคองมันตอนเรื่องพื้ดไปไม่ให้มันเกิดช่องไม่ให้มันขาดไม่ให้ขาดมันไม่ให้มันขาดความรู้สึกจนมันรูอยู่อยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาด้วยที่เราประคองบ่อยๆใช้ความเพียรพยายามประคองบ่อยๆมันจะสว่างตื่นรู้รู้สืบเรื่องกันตลอดมีได้เป็นได้คอยตั้งของตั้งใจทำมิมิ นิมิตมันนิมิตมันจะไปอย่ากอะไรนิมิตนิมิตก็คือเครื่องหมายไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นสิ่งน้มสิ่งนี้หาใครมีวาสนาหาใครมีนิสยัยมันก็เป็นเองแต่นิมิตภายในมันก็จะไปต่างอะไรกับนิมิตภายนอกถ้าหากเราทถนัดในการพิจารณานิมิตที่เรากำหนดจดจออยู่เดี่ยวนี้อยู่แล้วแต่ละอย่างเกิดขึ้นโผล่ขึ้นในจิตนั่นแหะคือนิมิตแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ในเมื like ่ออะไรโผล่ขึ้นมาเรากำหนดอันนี้อยางทุกขังอนัตตาอะไรโผล่ขึ้นมากําหนดดูความเปลี่ยนแปลงข้ามาอันนี้อยางทุกขังอนัตตาในมิติข้างในเรากําหนดเหมือนกันแล้วอะไรมันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาขอให้เราเข้าใจกับวันนี้ก็คือเครื่องหมายหลับตาเห็นก็คือเครื่องหมายลืมตาเห็นก็คือเครื่องหมายมันเป็นสัญลักษณ์บประกอบเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคือสิ่งโน้นสิ่งโู้นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ทําให้เรารู้ให้ทา้เราเข้าใจ รูปผู้หญิงรูปผู้ชายก็นิมิต่ะสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดก็คือนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายสิ่งโู้นสิ่งนีง้นสแสดงให้ให้ให้เรารู้ให้เราเห็นเสียงเงนี้ยเสียงมันก็เป็นนิมิตรูปเสียงกลิ่นกลิ่นก็เป็นนิมิตการสัมผัสการสัมผัสก็คือนิมิตก็คือเครื่องหมายแสดงปรากฏให้ใจรับรู้รับทราบเรจะไปมองอะไรกับแค่คาว่า น, นิมิตนิมิต ไปติดแตด่สิ่งวิเศษวิโสอัศจรรย์แสดงให้ปรากฏตีดเครมไปการที่เรารู้เท่าทันนิมิตในตัวเราในขณะที่เราทําเอานี่แหละเราสามารถทันนิมิตภายในถ้าใครมีนิมีนิสัยเจอนิมิตภายในจะทําให้เราไม่หลงไปกับนิมิตภายในเนื่องจากว่าเรารู้เราเห็นว่านิมิตคืออะไรเป็นยังไงแล้วเอาอะไรไปตัดมัน เอาอะไรไปรู้มันตามรู้ตามเห็นตามกำหนดจดจอ่อมันจะไม่คงที่ทุกอย่างที่จะมาปรากฏเฉพาะหน้าเราไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมันมาปรากฏเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจมาปรากฏเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจทุกขังอนิจจจากอันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นอันหนึ่งใช้มันอยู่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมดูไปที่จิตของเรา จะระบายจิตมันจะเชื่องจะชินมันมันเกาะเห็นทุกเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยสิง่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอันนี้คือเป้าหมายคือความประสงค์เรารู้กระแสของธรรมกิริยาการของธรรมเหล่าทะทะทะทะนี้นั่นแหละที่เรียกว่าเข้าถึงกระแสธรรมเข้าไปรู้กระแสธรรมจะมันเชื่อง ม, มันชินมันจานานมันไม่กําเริบอย่างได้อย่างหนึง่งมีผลปรากฏฝังแน่นอยู่ในหัวจิตหัวใจมีความมั่น เชื่อมั่นอยู่กับอารมณ์เหล่านี้อย่างไม่มีโยกไม่มีคลอนนั่นแหละไม่กําเริ่มขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นไหนก็ตามแต่อย่าไปจิตอย่าไปสําคัญมั่นหมายหามันถึงก็มันถึงแต่มันอดกละยิบยิ้มย่องไม่ได้หรอกใครจะไปโอดได้ความกระยิบยิ้มย่องไปจะไปเพลินกับ ม, มันเพียงรับรู้แล้วก็ยับถ้าเราถ้าเราเคยได้แล้วเราก็ไม่ติด ถ้าเราเคยได้แล้วเราก็มั่นติดมันหายไปเราก็ไม่ต้องไปเรียกร้องมันหายไปเอา้าของมันไม่คงที่มันยังไม่คงที่มันก็หายไปมีภาวะอยู่อย่างนี้กระแสของโลกใบนี้คือกระแสกิริยาอาการของกล่องสังขารมีสังขารอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเราดูแต่ยย้อนดูแต่พวกเราเกิดในท้องแม่ไม่เห็นอยู่เท่าเดิม ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจากนา้ําใสๆนดูดึกมาเป็นก้อนนั่งโตงมองเต็งมงอยู่นี่มีอะไรอยู่เท่าเดิมหลังจากนี้ไปก็จะเจริญก็เจริญไปเรื่อยไปถึงไบเสือ่อมเสื่อมเสืมเสื่อมเสื่มเสือ ม, อ ม, อ ม, อ ม, อมไปเรื่อยถึงคราวอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก็ดับสไลายไปอันนี้คือภาวะของมันนี่คือกระแสของธรรมชาติกระแสของธรรมชาตินี่แหละคือกระแสของธรรมการเข้าไปรู้เห็น ทำก็คือเข้าไปรู้เห็นกระแสของธรรมชาติเหล่านี้เห็นแล้วแ ท, แ, ทแทนที่จะยึดไม่ยึดกลายเป็นว่าเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษของมันปล่อยการปล่อยก็ทาให้เรารู้เห็นเหตุปัจจัยของมันก็ทำให้เราปล่อยรับปล่อยก็คือปล่อยกองทุกปล่อยกองทุกปล่อยปล่อยอุปาทานใ น, นเมื่อเราอุปาทานปั๊บมันก็เป็นการเกาะทุกข์ อุปาทานพักก็เกาะทุกข์อุปาทานพักก็เกาะทุกข์อุปาทานคือยึดเอาคือยึดของทุกข์ยึดเอาคือยึดของทุกข์ยึดอะไรกับทุกข์อันนั้นยึดอะไรกับทุกข์ทุกอันนั้นลองดูสิยึดกับอะไรกับทุกข์อันนั้นเลยท่านจึงให้รู้เท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นรู้เท่ามันรู้ทันมันรู้เท่ามันรู้ยังไงรู้เท่าเท่าที่มันมีให้ดูคัเท่าที่มันเป็นให้ดูนั่นแ่ะความมีความเป็นของมัน เราควรเข้าไปรู้เท่าขอมันเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นแม้แต่ของปฏิกูลเน่าเฟะน้ำเหลือน้ำเขียวอยู่เฉพาะหน้านอนยัวเยาะยุบยับยุบยับยุบยับอ๋อมันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กลิ่นเข้าจมูกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอาผู้รู้ของเรารู้ให้เท่าความเสียดเสียเอียนความน่ารังเกียจน่าเกลียดน่ากลัวอะไรไม่มีมันหายไปหมดเข้าไปรู้เข้าไปรู้เท่าทันเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็น นี <c oughs> ่ธรรมะละเอียดไหมละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อลเอียดไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยตั้งอกตั้งใจทําไปตั้งอกตั้งใจทําไปผลอะไได้ฮะสะสมเริ่มสั่งสมบกเริ่มเริ่มสั่งสมตั้งแต่เราเริ่มอบรมเราเริ่มสั่งสมเราเริ่มอบรมยืนก็ทําได้เดินก็ทําได้ เสียดองเสียดายเวลาโอ้ก็อายุเรามากขนาดนี้แล้วไม่นา น, นเดียวก็ตายเสียดายเวลาไม่ให้มันคลาดจากสาหูสายตาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน้วยแหละโอ้ยิงสนุกเลยสนุกใหญเลยแหละท่านี่ยืนก็ทำได้เดินก็ทําได้มีกําลังก็ทําได้ไม่มีกําลังก็ทําได้นอนขแมวหลาเมวหลาพิจารณาดูไอ้ตัวเขมเหลาเขมเหลนะอน่นเพราะมมไม่มีกําลังทําไม่มีเรียวแรงทําแน่เอาจิตปล่อยไปที่อื่นแล้ว เราต้องเราจับจอตลอดงานแรนจะหมดไม่มีไม่มีหมดปลุสติของเราให้ตื่นสติสมา ธ, สมาธิสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตไม่ใช่สงบมิดเงียบหายไปมืดตึ๊บกำหนดให้รู้โรสว่างแน่นก ร, กระดูกกระดิกทำงานให้มันคล่องตัว อะไรปลมมาก็เกาะได้อะไรปรมมาก็เกาะนะอะไรปลอมมาก็ทันอะไรปลอมัาก็ทัน ล, ลองดูลองทําให้เปลี่ยนดูจะสะดวสบายขนาดไหนสะดวกสบายหมายความว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทํางานมั่นใจตัวเองอืมอ่าพอสมควรแก่เวลา